มันเป็นยังไงพวกนี้มันมาศึกษาเพื่ออะไรนี่นะวัดนี้กําลังมันเริ่มจะเหลวเหลวและไหลแหลกแหลกแหวกแนวไปแล้วนะเราอกจะแตกนีมีมากเท่าไรมันยิ่งนะับวันเหลวลงเลวลงทุกวันทวนนะแล้วหลังไหลกันมาหลังไหลายกันม า, หหาน ม, ามาหาประยชนอะไรมาศึกษาไม่ได้มีความจริงความจังอะไรเลยมาเล่นได้เหรือ นี่ไม่ได้รับเล่นไม่ได้สอนเล่นนี่เพราะไม่เคยปฏิบัติแบบไี้เล่นมาศาสนาก็ไม่มีแบบนี้เล่นนี่มองดูเดี๋ยวนี้มันกําลังเรานะมันอบชะแตกเราแล้วเลยผู้ดูแลอยู่นี่มามากเข้ามากเข้าค้าค้าวันเข้าแล้วมันเลยกลายเป็นลงนิกเกอแล้วขอนลงบ้าลงบาไปแล้วนั่นนี่ เราไม่เห็นอะไรเป็นของพิเศษอาจารย์นี่กว่าความเพียรนะเพราะธรรมท่านบ่งบอกว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เห็นเป็นของจําเป็นอะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ผีแก้ยากุภะในจิตใจน่ออกไปนะมาก็แบกกิเลสมาอยู่แล้วยังต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสมั้งเหรอ แล้วมันเข้ากันได้ยังไงเดิ น, นด้านด้านอืดอัอัดเหนือน่อยหน่ า, า, า, นยนายเรื่องนี้มันเรื่องของคิเตะทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามารยาทของคนที่แสดงออกมิตรคิเตะบง่งบอกออกมาทั้งนั้นทําบ่งบอกออกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกที ฟังเปยังขวางหูอีกนะก็เคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่จะมาตั้งใจแก้กิเลสเขาตั้งใจสิจะมาให้กิเลสจูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอญญาตมีเรื่องกิเลสมันกมัน โหถ้าธรรมดาแล้ ว, วมันตลอกปอกเปิบมันขาดก็ได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพระนแม้แต่กระดูกก็ขาดสะบั้นตะมดแล้วพอกเิเลสมันลากมันถูมันลาบมันจุ่มยังไม่ทราบอยู่เลยเวลาเนี้ เจะเอาอะไรไปแก้กิเลสหรือจะเอากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยินไหมกิเลสแก้กิเลสมีที่ทตรงไหนนอกจลักทํามแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเขามากเข้าค่อยเริ่มเริ่เลเทอะเทอะเปอะเทอะไเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, อยๆนะดูอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่รู้เรียนเรื่องธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแสดงออกนอกจะไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมนั้นเตี้ยให้กิเลสมันเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างลงน้ําร้อนนี่มันหัวส ม, มอยู่ตลอดเวลานะใครมีอะไรจะฉันแล้วก็ฉันพักรีบหนีที่ทําการทํางานเป็นเจ้าของสมานาธรรมนี่เรากองอารมณ์นะเรื่อง น้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณ์นี่มันได้เลยอนุมณ์ไปแล้วจะกลายเป็นอนุเหล็กไปอย่างเงี้ยเอเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ชันพอยาๆไปเรื่อยน้อยๆไปอย่างเงี้ยไมไ่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรอืจะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ได้ชันอยู่ไม่ได้จะตายไปแล้วน่ะนั่น ความเพียรไปยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไหร่ยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันทันกันไหมกับยี่เดชท่านเป็นอย่างนั้นแต่เคยบอกไปแล้วเนี่ยมันจมในหัวใจมากี่กลับกี่กันแล้วเป็นของแก้ยากนาต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความภาพเพียรอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนความเพียรในกิจการงานใดๆ ความเพียรเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสต้องเป็นความเพียรที่หนักแน่นเป็นความเพียรที่ละเอียดสุ ข, ขุมใช้สติปัญญาพิิพิจารณาทุกแง่ทุกมุมมันจึงจะทันกิเลสถึงจะแก้กิเลสได้นะด้วยเห็นนี้เองจริงไม่มีวิช า, ขาแขนงใดที่จะมาแก้กิเลสออกจากหัวใจของคนและสัตว์นี้ได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น <c oughs> ละเอียดไหมเจ่งไหมกิเลสแหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังสิ ในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีวิชาใดาเลยที่จะสามารถแก้กิเลสตัวขนาดแดนพรมตัวร้ายกาศตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำหัวใจกัดฉีกจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเว ล, เวลานานแสนนานไม่มีวิชาใดาจะแก้มันได้ทำลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นด้วยเหตุ น, นี้จึงทำให้ล อารจันท์พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสละเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพ่อองค์ไม่ทรงอะไรเสียดายเลยเอา้าอันใดอันใดใครจะมีความรักความชอบอะไรพ่อองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกันแต่ก็ยอมเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่นหนามันคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รอบกันอยู่อีกแท่เป็นแทบ่ายพระประวัติก็บอกไว้แล้วเป็นของง่ายหมายนั่นความจะเป็นศาสดา <c oughs> สอนโลกเป็นผู้ ประกันชีวิตของโลกเอาชีวิตของโพลออเป็นรูปประกันเลยพิจารณารับรองสัตว์โลกขนสัารโลกให้พ้นจกักเรือนจําคือวัตถจัี้ยากหรือไม่ยากเราพิจารณาสิถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบตัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าแต่เพียงพุทธทางพระนางฉามิเพียงปากพุ่นั้น่อยมันไม่เกิดประโยชน์อะไร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 ยากหรือไม่ยากนี่ลร ว, วิชานี่เนี่ยคายไปค้นไปขุปดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากไมง่ย า, ายสิมัน ข, ขนาดไหนยี่เหล่เอาเทียบกันสิมีทมเท่านั้น จะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทางเพราะเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดม่าจะเป็นสิ่งที่จะสังหารทําลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นเราตั้งหน้าต่างตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทําไมจึงไม่ดําเนินถึงมายถึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ ย, ยอมเสียสละแล้วได้ทํามาสอนโลก สอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเพียเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แ ล, แล้วทําไงเราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรจะควรนําไปแข่งพระพุทธธรรมพระสงค์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอย่างทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นค่าสึกของธรรมเป็นกิเลสข้าศึกถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละ อี่าบททั้งสีเคลื่อนไหวไปมาอะไรมันมีแต่กิเลสชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ทำชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวพหาวัตถะเป็นเรื่องของธรรมชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญากิเลสควรจะถลอกปอกเปิกไปบ้างอย่างอย่างน้อยถลอกปอกเปิกมากเพรานั่นกิเลสพัทงทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาคเพีนเหล่านี้พระองค์เคยใช้มาแล้วสติปัญญาก็เคยใช้มาแล้วทางนั้น เห็นผลประจักษ์พระไตรจึงประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกฐานเพราะอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นเดี๋ยวความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงได้ไปเทียบไปเทียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเทียงก็นั้นแหละคือนอนให้กลียดเยียบจมูกอยู่นั่นถ้านําไปเทียบเทียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วจะได้รีบเบียงขวัญขวาย เพื่อเพื่อทาเพื่อการแก้การตอบถอนทีเเละแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภานจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนไหนอยู่โดยลำดับลำดาและรู้เรื่องของระหว่างกิเลสกับธรรมได้อย่างเต็มหัวใจ <c oughs> <c oughs> แล้วสงสัยอะไรเวลานี้เสียดายอะไร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 อยู่เฉยๆทำไมะหวังเอาผลประโยชน์จากสถานการเวลาแบบลมๆแรงๆยางไงกันถ้าไม่หวังเอาจากความพาเปี่ยนตั้งตนมันได้ที่ตรงไหนขุดค้นลงไปพยายามส่งเสริมลงไปเลยผูต้ต้องการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะทำนี้ไม่เคยล้าสมายัยเป็นมัดสิมาพร้อมเสมอมัตมาเหมาะสมตลอดเวลาไม่ว่าจะนาไปปราบกิเลสชนิดใด มันจะต ย, ยาสุดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชชิมาทำนี้ไปได้เลยที่เรียกว่าทำเหมาะสมมัชชิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบกิเลสทุกประเภท <c oughs> อยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปนอนไปถ้าจะสัตว์เขากินได้นอนได้แต่ว่าถ้ามนุษย์ทั่ ว, วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกพระหลาดอะไร ต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทำได้ทั่วๆไปมีความจำเป็นอยู่ด้วยกันสิ่งเรามาสอแสวงหาเวลานี้เราไม่หาอย่างนี้เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นขึ้นภายในจิตใจเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพัสธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบา นึกตื่นลับยาละเอียดแค่ไหนจะนอกเหนือจากใจเต็นไม่ได้ตาหตูจมูกที่นีกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสําหรับที่รับดองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่มากกี่กับกี่การก็ตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าแต่เพียงกี่กับกี่กให้เลยไปอีกกี่กับกี่การมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กําเนิดนึง จนกระทั่งวันตามันกม็มีวันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆ ท, ท, ที่มันตาบอดทด้ยางไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังไงจิิงทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลก <c oughs> มันก็ไม่เห็นคนตาดีแล้วเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราสิ่งเหล่า น, นี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบงังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดาที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นทั้งนั้น แต่ธรรมนี่จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสซ้ำพันธ์กันได้สถิตยอยู่ภายในจิตใจได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมาธิธรรมคือความสงบใจอปัญญาธรรมคือทําละเอียดละออความแยบคายการพินิจพิจารณาความเฉลี่ยฉลาด แก่ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยแกตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองโดยดาดับตำดานั่นแหละที่นี่สมาธิทำใจไม่เคยสงบข้อสงบได้นี่ที่เราเคยอ่านเคยจดจํามาตามตำจากสําหรับตาลาเท่าไรใครเขาจาได้เหมือนกันสมาธิสมาธิสมาธะสมาธะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมาธะภ า, ายในหัวใจเพราะใจไม่รับ รับแต่ชื่อเป็นความสจำเเฉยมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงฉั้นจึงไม่รู้ไม่เห็นาศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตํำรับตำลาเป็นกระดาษเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเพเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรเลยก็เพราะคนไม่แสดงความแปลกประหลาดไม่ความไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่ยังคุยปฏิบัติ ต, ต, ตามหลักแห่งศรขทธาธรรมนั่นสิแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่ า, าศาสนาไร้ผล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 ตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉลาดแล้วกิเลสมันฉลาดมันโง่เหรือกับความโง่ของเรามันเท่ากันหรือกับกิเลสตัวฉลาดนั้นแล้วนํามาใช้สิผูปฏิบัติทำถ้าลงจิตมันนฉลาดแล้วกิเลสมันจะห น, า, นาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ก็เธอยังไงมันก็พังทลายพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสงฆ์ถามว่าในสมัยปัจจุบันของาศาสนาของพุทธเจ้าของเรานี้ ประกาศกัางวานมาเป็นเวลาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนี่ความกลางวันแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้วศาสนาจะเป็นโมฆะได้ยังไงนอกจากเราเท่า น, นั้นเป็นเป็นโมฆะไร้าสาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไร้ไปหมดกิดเลสพาให้ไร้ ศาสนาจเลยมีแต่ตำหนักสนาผลสุต้าการกิเลตมันไปเหยียบศาสนาเขาอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีออใครจะปฏิบัติไปสลายก็ปฏิบัติไปเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสำหรับโมคะพุทธโมฆะเจตติคนนั้นมันจะมีได้อย่างไรความมันไม่เคยสนใจกับอัตถกรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไงมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอตี่จพัดนู้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออกสิมันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรบกุมรังสถานที่ใดมันจะรบกุมรังขนาดไหนก็มันรบกุมรังเถอะถากถางฟาดพันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจะแสดงขึ้นโดยดั่งดับน่นแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหรอมันหมดสมัยสำหรับคนขี้เกียจ ถ้าลงถางลงถางลงไปแล้วความเตียนโล่งมันก็ปรากฏขึ้นเอสถานที่เราโล่ขึ้นแหละเวลานี้จิตมันรล่งด้วยกิเลสปัญหาอาสะวะแล้วไม่ถากไม่ถางมันด้วยข้อวัดปฏิบัติโดยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันลบลุงลังคือกิเลสทุกประเภทนั่นมันจะเกลี่ยสลายตัวไปะด้านให้การเป็นความเตียนโล่งขึ้นมาได้อย่างไ ร, รทั้งเอาธรรมเข้ า, าปัดแต่กวดไป ว่าไปฟันมันไป ท, ทงเป็นศาสนาเอกก็รู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกที่เดียวตรั ส, ารร ม, สามาแล้วด้วยสมว ข, ขาธรรมตรัสไม่ชอบฟังให้ดีฟังให้ดีนิยานนี้กับธรพร้อมเสมอที่จะนําสารโลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดาาับลำดับจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิง น, นี่มัชชิมาธรรม หมาะอยู่ตลอดเวลานี้่แล้วเอามรรคผลนิพพานว่าหมดหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอำนาจของความมืดบอดของคนไมิกิเลสไม่สนใจกับธรรมต่างหากนี่ผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นนั้นแน่คือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสําหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนาไมา่ได้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นผู้เป็นเจ้าอำนาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ ถ้าปฏิบัติก็ได้แล้วสิศาถ้าทําเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่ก็เอาสิความภาคเพียรทุนไครมีความยิ่งหย่อนต่างกาันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเนอยจากว่าถึงต่ทั่วโลกกระท่ามี่เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็พอกิเลสเหยียบย่าทําลายมันท้ามันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทำลายทํำทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมีขึ้น อันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีนี่จะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเอาโดยตัวตัวเองไม่รู้ทั่นกานกล่าวไว้กล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแทนไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกนี่สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิ ม, มุตตก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไมไ่นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่ เป็นไปด้วยธรรมมีสติปัญญาสรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรให้จิตได้เหินห่างจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการใกล้ชิดสนิทกับสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานทุกทุกขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกจะไม่นอกเหนือจากสวดขาวธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี้เลย นี่เอานี้เป็นหลักสิเราได้ถือประชาชนชาวเมืองที่หมูราขี่มาแห้งส น, นังก้าฉามีที่ไหนตั้งแต่วันบวชมาก็พุทธทางธรรมังสั้นคังส น, น, นังก้าฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตาด้วยความเชื่อถือจริงๆทําไมจะเป็นไปไม่ได้โดยการปฏิบัติของหลราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมหลุดพ้นสาวกทั้งหลายปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ทำไมหลุดพ้นเหตททหหุเราทําไม เรปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมิหลัมท้าการเครื่องปลูกมัดตัวเองไปมันเป็นอะไรก็พรปล่อยให้กิเลสเข้ามาเยียบย่ำทําลายในวงความเปลี่ยนทั้งๆที่เจ้าของประอบว่าเข้าใจว่าความภาพเปี่ยนนั่นแหละแต่ว่านม่ีสติสตังไม่มีปัญญาพอจะจะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแท้ของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไรเคยมายจนน่าสลดสองเมตร บางครั้งบางคราวที่เหลือมันเยียบเอาเยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟืน้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ลําพังคนเดียวแทนที่ว่าจะประกอบความภพ่าเพียรในระยะที่เรายังไม่ได้หลั ก, กจิตหลักใจไปทําความเพ่าเพียรแทนที่จะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเพียรมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตานี่เห็นชัดๆรู้ชัดๆเคยเป็นมาแล้ว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 สติระตางขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นทีพึ่งพิงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้ เฉพาะอย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรเพลงฟางไปหมด จ, จิตใจหาทำเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะไม่ได้สมาธิทำก็ยังมีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นตายตอนนี้ตอมนมันําบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็นที่พอสุขพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเป็นอย่างอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมัน เป็นเหตุให้ทําก็เพราะมันไม่สาเหตุที่จะต้องทำเพราะเรื่องของขาศัพท์ ข, ขันนี่มันทับจิตใจได้เมื่อมันเป็นกิเลสมันก็กล้ายไปเป็นไปหมดมันมีกกิเลสมีกําลังมากมสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกําลังมากเป็นไปเนี้ะที่ได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกําลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนะัะ ใหสติปัญญาก้าเเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองไปในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่หนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเ่นเน้นหนักเข้าในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นเวาจิตมีความสงบเย็นใจก็ที่นี่ก็โล่ง เพราะความสงบของจิตนี่มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยจะอยู่สบาสมัยรื่เนเริงปัญญาเมื่อได้นำมาพิพจารณาค้นควา้าก็ค้นควา้าค้นคว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนกิเลสมันปากมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดอว่านั่นก็เป็นเรานี่ก็เป็นเราหมด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 ออกได้โดยวิธีการว่าเปเซซาโรมานาฆาทันตาตะโจนี่นะเอาพิจารณาให้ดีนะนี่ผมผลและฟันหลังมันเป็นยังไงมันวิเสียที่สูที่ตรงไหนอืท่าดเดิมมันก็คือท่า ด, ดินทแท้ๆแล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันวิเสียที่สูที่ตรงไหนเวล า, าว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงาม น, นี่เป็นเรื่องของจิตเดหลอก เอาไปชนะตามควจริงไปมันมีความสง่งามที่ตรงไหนหมดทั้งล่างหาความสง่างามไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสโครก เ, เต็มปหมน่าอีกหนาและอาใจหน้าขยะแขยงไม่ว่าขางนอกขังในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงน่าสะดดสังเวชไหมใครจะไปมีความลื่นเรืองมันจนในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สโปรกสมมุติที่สุด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 เป็นไปด้วยอำ น, นาจของกิเลสมันแทรกมันไปสมมุติมันหลอกมันต้มมันตุนอยู่ตลอดเวลาอืมตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมัรรยาิของปลอมเข้าไปให้อืมอันนี้ของเรานะอันนั้นของเรานะแขนของเรานี่ขาของเราอวัยวะมือของเราหัวของเราอขมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมันว่าเราเปนว่าของเรานอกจากนั้นมันยัง หลอกเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสล้นวนๆอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยเหตุนี้จริงต้องได้ใช้ธรรมซึ่งเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงว่ามันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุภะก็เห็นประจักษ์ใจ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 ควาุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดพุ่งพ้อความหลงออกจากนั่นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักรักใคร่ชอบรักใคร่ชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบอยแห่งเสี่ยงแห่งน้ำแห่งฟืนแห่งไปพอถอนลงไปช้าล้านลงไปด้วยน้ําคือสติคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมันอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ ถ้าพูดถึงขันอาตุภะอาตุภังปฏิคูณโสโกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความธนาความชลาคาําคร่ามันก็เห็นชัดๆในรูปของบุคคลคนเดียวเช่นเรานี้มันเปลียปล่ยนแปลงมากเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนะั่งถึงที่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของ ม, มันจะประยุทธ์เอามันเอาเอามันด้วยเหตุผลคนใดอะไรทำไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนของจริงทำเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็น สิ่งที่ฝืนทำเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพิจน้ําเห็นชัดต่างๆแล้วมันถอนทั้งหนังความหนักหน่วงทวงใจความทรมานใจเพระาะอำนาจของกิเลสก็เบาลงไปเบาลงไปเพระพาะภาลักคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเบาลงไปเบ า, างไปยังไม่ต้องปล่อยได้ทั้งร่างกายปล่อยได้ทั้งภายในใจ ใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ต่อยวางได้ทําลายได้ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไร อ, อนี่จะจิตบริสุทธ์รุนล้วนให้เห็นเรื่องจิตบริสุทธ์ุ้นร้ว น, นเป็นยังไงนั่นแหะถ้านมาทำรุนร้วนทำอยู่ที่ไหนที่นี่เยเริ่มเป็นสมาธิที่ทําไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิตของธรรมทุกประเภทจนกระทั่งถึงมิมุติธรรมจะ นอกเหนือจากจิตนี้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ที่การนุ่นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาพางพูดตาบอดพูดถึงนะว่ามรรคผนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่หรื อ, ร อ, ร อ, ร อ, รอไม่ทําไมไม่พิจารณามันบ้างเฮอกิเลสมันหมดหมายถ้าไม่ทําให้มันหมดมันไม่หมดนีอ่อันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานถ้าไม่ทําให้หมดไม่หมดทําให้มีต้องมีทําไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วนี่เฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้ มักผลนิพานความรู้สึกของจิตนี้สลายไปไม่ได้เป็นเต็วเพียงของยิ่งเดียมันตัวปิ้นป้อนหลอกลวงมันมาหลอกมาต้มมาตุ่มมันพุ่มหอมมัดดึงตึงตราไปหมดจนกระทั่งหาที่กดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นยิงหมูนตัวไปตามยิ่งเลียมยิ่เดียมหลอกไงมันก็เชื่อไปตามเอนาคตไม่มีมันก็เชื่อเอนาคตไม่มีมันก็เชื่อสวรรค์ไม่มีก็เชื่อนิพานไม่มีมันก็เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายังของยิ่เดีแล้ว เรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่นี้สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ตรัสรู้ของจริงนี้นั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นไปได้ว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นและได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นนั้ปฏิเสธได้ลงคอเหรือฮะเรื่องยอมรับความจริงภพชาติต่างๆมันมีแต่ภพมนุษย์เท่านั้นเหรือแม้ตแต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังไม่มีแต่พบมนุษย์พบของสัตว์ มันยังมีเยอะในวัดเรานี้ดูที่มันมีกี่ประเภทสัตว์นะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็รู้อยู่เราก็เห็นอยู่แล้วอืมแย้ก็เต็มวัดนี่เป็นพบเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มวัดกระรอกกระแตเต็มวัดอืมเลือบยุงเต็มวัดอ ม, มดอะไรเหล่านี้เต็มวัดนี่แต่ละพบละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทําไมจะไม่มีฮะ แม้แต่โพสของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหยาบส่วนละเอียดมีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันหยู่อย่างนี้แล้วที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี่ทําไมจะไม่มีทําไมมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนไหนไหนั่นสติปัญญามีปัญญายาณมีอมเปิดกิเลส อ, ออกจากจิตใจหมดแล้วมันทคลุกไปหมดมันทําไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้แล้วทําไมจะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกไหน โรคยาโรคละเอียดพบชาติใดของสัตว์ปะเภทใดตลอดถึงพวกผี้ผีปีศา์อะไรเหล่านี้ตั้งแต่ล้วน้ะตั้งแต่เป็นพบเป็นชาติของมันแต่และอย่างไม่อย่างเท่านั้นมีมานั่งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้นเป็นความจริงตามหลักนิบาศของสัตว์ที่จะต้องไปเสวยชาติในพบน้อใหญ่ของตนของตนเนื้อใครจะไปลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าที่มาตรัสรู่จึง ทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสอนให้ละสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่ได้ฉุดลากไปในทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอะไรที่ดีสอนให้บาเพ็ญจนกระทั่งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมากลับมาเกิดในภพในชาติแบบทุกข์ นี่อีกต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่ง่ะก็สอนให้เพื่อนให้ผ่านอีกถ้ามันบริสุทธิ์ทีิจิตซึ่งเป็นตัววัตจักรเพราะอํานาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนาดตัดกิเลสออกตัววัตจักรนี้ออกให้หมดจิตมันจะหมุนไปไหนอีกเมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับสให้มันไปมันไปได้อย่งไรมันไม่ตายถ้าเป็นธรรมล้วนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้ว ไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไระ เ, เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนสอนในหัวใจของพวกเราทุกวันนี้ออาไม่รู้สิทำไมจะไม่รู้ทำนี่เป็นปัจจุบันและมำนี่ตลอดเวลาคืบไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทําตัวของเราให้ล้าสมัยให้คืบตัวเองในตัวเองต่างหากแล้วก็เป็นค่าสืบต่อธรรมเป็นค่าสืบตัวเองมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นค่าสืบไม่มีอะไรเป็นธรรมอยู่กับเราทุกคน เห็นพรกเอาให้จริงให้จังเลยพูดมาเอาฟันคันฟันนี่นี่นะนี่นายจะว่างั้นเห็นไหมเห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระพุทธเจา้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาหลอกโลกได้ไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจริงได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้จีเรียนมันเหยียบย่าพลานมันปิดขุด้ยินตาอะไรนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่อย่าว่าอย่างนั้นน่ะ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 เป็นองศาสนาที่ว่าอาชะนายเห็นไหมก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจริงท ร, ง, ร ง, งอาถรรพประกาศธรรมสอนโลกได้ทั้งสามแดนโลกฐานในจำนวนสัตว์โลกนี้มีใครเป็นผู้เจ้เดียวฉลาดสามารถเป็นอาชะนายสอนโลกได้ทั้งสาเหมือนพระพุทธเจ้ามีไหมนั่นเอามาเทียบกันเลแล้วเราทำของาศาสนามาสอนเราทําไมจะยอมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทุกเอียว บ, บทจนกระทั้งเบ้องต้นนี้จนกระทั่งตายเกิดประโยชน์อะไร นักปฏิบัติไม่คิดตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอะไรรีบาตทำทำอยู่ที่ไหนความโมง่มันอยู่ที่ไหนเอาลงไปตรงนั้นเลยมันจริงมันจังสอ น, นเพื่อนมาก็หนักหนาแทบล้มแทบตายหรือว่าไงอีกคําเพียนเป็นยังไงการถึงไม่ได้เรือด้อนเราอะไรหมืนอนจะตทุบแต่เงาเงีน้นไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันเลย มันจะไปเห็นตัวมันยังไงส อ, อนทุกแง่ทุกมุมสอนเล่นๆสอนจริงๆเพราะฉะนั้นพูดมาปฏิบตัติยามาทำในเล่นไม้เห็นนะ <c oughs> มันเกอนแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องเล่นๆไม่ไม่ใช่ทาเรื่องเล่นๆ เ, เรื่องเล่นๆกับ เ, เ, เรื่องหลอกๆ อันเดียวกันมันเป็นคู่กันมันกลมคืนกันเป็นอันเดียวผู้ปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเลยเลยวิวหลายๆแล้วหล่อแหลกได้หรือทําเราแหละไม่มีทําบะพุทธเจ้าที่สอนไว่ให้หล่อแหละไม่มีเลยวิวหลาๆก็ไม่มีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของยิ่หญ่ทั้งนั้นนายังจะคุ้มนางจะชินนันจะตายใจกับมันอยู่เหละ นั่นเลยพระกันเต้าตั้งใจเอาคุณปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับวิเลกมันเป็นตัวจเจริญใจที่สุดในหัวใจของจัตุรุแต่พ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้เนี่ยเบิกมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลกับคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เอาเปน็นเอาตายข้อแรกกันนะ่ะ เวลาปรากดผลขึ้นมาแล้วตามความีุเจะสอนไว้นั่นน่ะจะคุ้มค่ากันไหมไม่เห็นดลหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วเอออ๋อออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลื อ, อ, อเวลามันดื้อมันดื้อยันไม่ทีดีมันจําไม่ลืมเลยเพราะที่เหลือนก็เป็นสัจธรรมไม่ลืมได้เลย เคยทุกข์เคยลำบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตายนะไม่มีวิบาะไรจะสู้มันได้เลยต็มีตอนไหนมันจะเหมือนกับไม่เหมือนตอนกิจกรรมนะผมนี่กินเข็กจกินหลามเห็ุที่คิบเลยเพราะฉะนั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟัดกันลงถ้าเป็นข้างก็ขึ้น พองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสาบหัวลงไปกับฟั น, นเหนียวน่ว่าความมุ ม, มานะอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วนะโอ้โหโมโหทัวอย่างนี้สุดฉีดนะยิเหลือเหน่อยหัวใจของเราเนี่ยนะคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วทีนี้มึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วมัดกลง เะนันนั่งถึงหามลุ่มหามค่ำ ม, มันจึงไม่ได้คิดคํานึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเองมันเถ็ดเวลามันเสื่อมไปแล้วพอมันได้ที่แล้วฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติด ก, กันเลยอ้าวทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอืงอ่นไม่ได้นู่นห่ะฟังแต่เพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี้ น, ะน่ะนะ นัจิตเนีมันเป็นจิตแปลกๆไปด้วยนะจิตผมเนี่ยมันเด็ดจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นเป็นนึงถ้าลงได้นลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นละหล่นอนละแหลมอนจึงได้เห็นกันเวลาประกอบควาเพียรไม่ลืมนะร่งทั้งๆมันม่อจริงๆตายท่านไม่ตายให้ลูกมิถันนั่นมันถอยไม่ได้เลยถอยก็ให้ตายเรื่อยๆไม่ก็ถอยไปไอ้ที่ก็ลงมาถอยแล้วตาย มันหมดราคาโคนรมมีความตายความจริงด้วยในหะ้นักศาสนาทำไมเหมือน mm hmm. ไม่มีทางไปเมื่อกี้มีตะมูนข่ามูนเข่านั่นแหละปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่ยอยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางฟื ต, ตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้แหละ mm hmm. ปัญญามันเกิดตอนนั้นนะทุกข์กับบิดกมาโหมก็มาโหงก็มาทั้งทุกข์ทั้งกาย ทางใจก็กิเลสก็ฟาดกันนั่นเองหแหลกไปมันหาทางออกมันจะได้เหมือนเหมือนกับว่าหัวแห่ที่หนึ่งมันจะตายจริงๆนะาดกัเฉพาะด้าีดหัวแห่ที่นงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นยอมรับว่างานในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะน่ากลัวงานสู่กิเลสหลือเปลมีนักมาก ยาปยามันออกเดินนี่ก็โอ้โหอ้มันอะไรมันเป็นไปด้วยความดื้อๆมันนี่บางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับเล็ตามตามขั้นมันขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมั่งการมุมานะเอาเป็นมั่งไม่ใช่เป็นกิเลสเช่นอย่างโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของอื่มันเหมือนกับว่า กับฟั น, นเหมือนฟันขาดถึงฟันหักไปนึงนะเวลามุม่ง ม, มาน้ามันแต่ก็ยิ่งเหลือ่อึงเป็นมัด พ, พลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมัดความอดความทนความมุ่มานะหล่า น, นี้เป็นมัดทั้งนั้นไม่มีกําลังใจสู้ไม่ได้กําลังใจกําลังมัด ฟาดกันไปฟาดกันมามันถึงขั้นมันเริ่มวันลืมคืนลืมเมือืดนลืมแย้งนี่มันก็มีนั่นคือมันไม่ออกเลยจิตมีตะหมุนติ้วติ้วอยู่กับพิเรศฟาดกันนั่นฟันเดินอยู่กรมเดินออกร้อนฝาเท้าแต่ไม่ถึงก็ฝาเท้าแตกนะผมนะพอมาหยุดนจะถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้นว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับพิเรศฟาดกันนั่น ก็ิเลนแต่เวลาหยุดมาหยุดนีโอ้โหออกร้อนฝ่าท้ามเหมือนถูกไฟลนหนึ่งแล้วมองเห็นการน้ำนี่อุ้ยมันจะโดดเมันเหมือนกับมันมันจะตายจริงอ่ะมันหิวน้ำลิ้นใส่กึกๆึไปสำลักกมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรนี่ มันไม่ด้กินน้ําอย่างทุกวันนี้นะฉันเสรแล้วก็ฉันน้ำแล้วก็เทนั้ำหนึองความเพียงมันหมุนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียงมันหมุนมันเอาอย่างนั้นกงเดิ่มเป็นมดมาภู้บรี่เย้สงใส่ว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื้อตืเวลามันหมุนของมันปผ่อรจนจะของจะตกไงโอ้โเมื่อไหร่มันจะได้หยุดเลยสบายสักทีหัวใจ เราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดคาดกับความจริงมันไม่เหมือนกันอคิดว่าจิตละเอียดเข้าไปละเอยดเข้าไปยิ่งจมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปจะอะก็ยิ่งสบายไปเรื่อยเวลามันเข้าความจิไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันละเอียดเข้าไปะมันยิ่งฟัดจนยิ่งหลัก ก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความเห็นโทษความเห็นคุณมันเท่ากันเห็นโทษของจิเด็กปัญหานี่ก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากเนั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หยุดให้โยดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวไรอย่างไรหมุนติว้วอย่างเงี้ยางครังจนถึงก็มันจะตายจร่งๆอ่อนเพียงมดในเนี่ยในวงข้างใน อืมก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นนะมั่นนื่นจิตมีความละเอียดแล้วเอาไปอะไรก็ยิ่งเบาไปสบายด้เนื้อนี้ทําไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักแล้วมันเป็นอย่างนั้นอืมพราเรามาวิตกนี้พออยู่ที่ตัวผ้ามันก็พันกันอยู่แล้วนะเพรามเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนตี้ยวก็อยู่แล้วคิดได้ชั่วขณะันหมุนเตี้ย ตลอดลุ้งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่หลับอย่างเฉยนี่คือมันฟาดกันอยู่นั้นน่ะงานนั้นไม่ไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยหนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอยอั้งนั่นกับนั่งนอนมันก็พีนามืนมันมันก็ไม่หลับเอาทั้งก็ไม่หลับก็ไม่หลับเลยนั่งไปงานวันนั่งฟาดกันมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็ แจ้งโคโลอ้างวันมันยังจะไม่หลับอยู่มันองัดกัอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วนี่มันมีทางไปก็เพุทโธเข้ามามัดเลยพุทโมาพาพุทโธพุทโธแม่มันคิดอยมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธขี่ยิบไม่ให้มันออกออกมันออกไปทำงานนะอย่งไร่ทั่งพอพุทโธก็ขี่ยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปุงไหบังคับไว้นะมันออกไปทำงานของมัน ไปหางานของมันแต่ที่จะใหม้มันฟุ้งเฟ้อหรือมนุษย์มันไม่ปายานั่นมันหมายถึงว่ามันเพลินในงานของมันพอพุโทโธพุโทโธข้นี้เพราะงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบความตูงว่าพุโทโธพุโทโธพุทนี้นเป็นงานไะ้อย่างเงี้ยมันสงบเงี่ยมันโอ้โหเหมือนถอดเสียนถอดน้ำนะเบามดทั้งร่างกายจิตใจเ บ, า ไ, บาไปพร้อมๆกันมุม มันก็ตก็โตไม่เห <_ and S 1> <ส>ยียดเรื่อยไปแนวบังครับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงเนี้ยก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอดออกมาวัาดกันอยู่ต้องบังคับแล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายเนี่ยปล่อยเลยเพราะปล่อยเลยผึงนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยพอนีอ้ขาดสะบ้นไปเลยนัย่นนั่นแหละสมาธิกับปรญญามันมีความจําเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมาชาติเป็นรประสบการณ์เองนี่เห็นได้ชัด อ๋อทำไปงให้เข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกไว้ามีกําลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกําลังแล้วพิจารณาพ่ามันอิจิอ่อนเทียแล้วก็ให้เข้าให้เข้าสมาธิแต่มั น, มนความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าเข้าสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่าเฉลยนะ ออกปัญญามันเห็นเนี่ยข้าวที่เด็กขาดเป็นพักๆไปมันรูนแนงคือท้าไม่ต้องเขาสมาธิเนี่ยที่ว่าอุทธจักรมันฟุ้งมันเพิรนในความเปลี่ยนเพิรนเพิในการพิจารณาจนไม่เนื้อเวลาไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้คือว่าอุทธจักรมันเพิรนในความเปลี่ยนดูแลจากความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโห้มันไม่ไป แต่ทางปริยัติแปลแปลแปลอยงั้นนะนี่เป็นคาให้เห็นผู้ผู้จะจดใจลึกหนังสือเหมือกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของันผู้แต่งได้ได้ดีนี่แต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในทรรมเท่าไหร่มันบอกในตัวมีภูมิ อาจเํานทำทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจําธรรมดานี่มันก็ไปอย่างนั้นเอืยอุทาจาักความพุ่งสร้างมันก็จะหมาย้วยความพุ่งสร้างโลกไปไปมานึ่งแต่อันนี้ไม่เป็นงั้นมันพุ่งไปกับงานอันนี้มันชุนมูลวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวในงาน อย่าที่ว่าเอฮีปฏิโกนี้นี่อันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะพี่นักความวิสิตรผมเ อ, เอฮิปฏิโกรแล้วลองเรียกคนอื่นมาดูได้ทาของจริงไป้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้านคาของจริงที่ไหนถ้าเป็นพุพทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านน่ยท่านเหล่าเนี่ย ตรงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในคือของจริงยูนตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้หน้าเอหิคือตามหลักพระย่าท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตวังกิริยาหิตอันติที่ฐานมาเตนเ ต, นเตนเสนนี่ท่านบอกไว้ในหลักติก็บอกบุคคลอันติบอกคนทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนตัวเดียวรือสัตว์ตัวเดียว ตีอันตีสิีไถมาสีก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกโพหิเอหินั่นหิตัวนี้เป็นจิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านพิเธอนี่เลยตีความหมายแล้ว่เาเรียก้องเรียกคนอื่นมาดูได้อีท่านจงมามเรีย้ยวๆท่านจงมาดูทําของทีงง่มันไปนอกๆของเสียถ้าปัญญาจริงไม่ไปอย่างนั้นถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวก หืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินั่นคือบอกในวงพูดที่สอนนี่ท่าดูดูจิตตัวเองนั่นสิเข้าไปดูจิตตัวเองนั่นสิชมันออกไปข้างนอกคาไมอม่เอหนะิจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิขจรงที่นี่น่นะถูกกับวงปฏิบัติเป็นเลยนี้เราสอนเราอะไรนะที่สนเรา คำวมานี่พูดง่ายๆว่าเป็นบ้าไปไหนวะว่ามันถ้าเราสอนเราทำาองจิที่นี่ไม่หมายถึงว่าเลี้ยวกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของกิงนะเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติไม่มีปีกมีแยะกันบั่งเป็นความถนัดอยนางนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงภยัยในไม่ได้วงภายน้า ทันที่โกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนะย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อย่าส่งไปข้างนอกส่งไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่ทีความหมายวนะันแต่พูดถึงด้านปฏิยาต ก, กับปฏิวัติมันมีปีกมีแยะกันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกแยกกันออก ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยถ้าลงาพากปฏิบัติคือภาคความจริงประสบพารณนเองนี่มันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิบัาิธรรมมัชฌิมาปฏิบัาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางสิ่งแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินยังไงนั่นะความคาดความหมายความจออําลองมันก็เหมือนกับ เราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชาทั้งลบด้วยกันสองคนเต็มภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉานก็การก็ผู้เข้าสู่สงครามมานี่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธลีลบยังไงบนท่ศัตรอาวุธประเภทไหนกับค่าสึกชั้นประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นแ่ะเป็นผูร้รู้เป็นผู้ใช้ สาตราบุตที่จะลบต่อค่าศึกผู้นี้เป็นตัวแบบความจําไม่เศร้าค่าศึกเป็นงงั้นจะควรนอนาอะไรไปชา้ให้เหมาะกับการตัดค่าศึกในเวลานั้นนี้ผู้ที่เข้าแนวลบนั่นแหละเข้าสู่แนวลบแล้วนั่นแหละมาพูดพูดได้อย่างฉับฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทงั้งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันอนิญาก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชาแนว็บี่เลย์นั่นแหละเป็นแนวลบวิเลย์ แต่ไม่ได้เข้าปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงธรรมะมัชฌิมาเวลานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดนะเมื่อมันประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไงเข้าแนวลบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดาวประเภทผากผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทแบบนี้ได้ นั่นถนัดถนัดมัชชิมาเครื่องมืออะไรอุบายวิธีใดที่มันปราบมันอยู่มันอยู่มันอยู่ไปได้โดยลำดับนั่นแหละเป็นแบบมัชชิมาเหมาะสมเหมาะสมนานมันจึงรู้ได้ชัดไม่ยินนักไม่เห็นนักอะไรนี่ที่เดตุผลมันก็ต้องผลใะไกันสินั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นมาถึงขั้นทคิดเหตุยาบความเพียรต้องเอาอย่างหักหอมเต็มที่ถาดผลเต็มที่ เยี่ยดเขาขั้นละเอียดความเพียงก็ละเอียดไปตามละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำสึงเ่ะมันนัเป็นนะพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติอถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้วมันจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นแล้วแก้ไปวิธีนั้นนั้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนเนี่มันผิดกันกันกบกบภาพความจําเป็นไหนไหนีน่คือธมามาปฏิบัติฐาแล้วที่แก้ ให้ถนัดปากของเราน่วาความเหมาะสมงั้นเลยทำนี่ทำเหมาะสมกับการปราบทุเดชทุกประเภททำมีพร้อมแล้วแต่ควรนํำทำประเภทใดก็ามาปรากทุเดชประเภทใดชนีดด้ใด้เหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะนีะ่ว่ามัจจิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทาาราบระกลางขนาดไหนทุเลชมันก็มีมัชจิมาเหมือนกันกันกบเราส่วนมากเรา บําเพ็ญธรรมก็ตามมักจะดเดินตามหลังจิเดกใต้ใต้ใต้ใต้มัชชิมาจิเดกมันลากเราไปอืทํามากกยเหนื่อยนะทําไงมันจะไม่เหนื่อยก็พักผ่อนมาก่อนสิมัชชิมาอยู่ตรงนี้น่ะนั่นพอทุกข์เกิดขึ้นมาบ้างโอ้่ไม่ไหวแล้วตายถ้ตายนี้เดี๋ยวความเพียรเราจะ ชูกิเลสยังไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนไหมนะั่นทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็คลออ้อนะว่านั่นนนามัจจิมาของกิเลสคนมากมีเป็น<อ>ดำเนินไปตามมัจจิมาของกิเลสเทํานั้นนี่มัจจิมาของธรรมถ้าเป็นมัจจิมาของธรรมกิเลสผลนะก็ผลแต่กันด้วยนานไหนนี่รอไม่ได้แล้วนี่เมืมม่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่มันก็ขยับตรงนั้นเลย นั่นมัตติมาของทำแต่มัตติมาก่เดียอยรู้ว่ไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักก็ก่อนพักให้สบายซะก่อนมันไม่เลยสบายเลยทีนี้จนถึงขั้นตายข้าข้ า, ขามึงจะได้ปลูกมากินข้ า, ม า, า, ามวมาจันทร์ยังหันนี่พิลกมัตติมาแบบนี้อุ้ <c oughs> <c oughs> นนมันสนุกเนื้อเรื่องความแหลมของยุลิมมันขนาดนั้นถ้าไม่ ว่าถ้ามันลงแหลกคนก่อนมันไม่เห็น่ะมันไม่รู้ไม่พูดเรื่องของมันได้อย่างเต็มปากทั้งด้านวิเลษทั้งด้านธรรมนะขอให้รู้เรื่องของมันปราบมันถ้ามันเรียบรู้ไปถึงพูดได้หมดเต็มปากของเราเต็มภูมิของเราทั้งด้านธรรมาทั้งด้านวิเศเนี่ยรู้สึกเหน่อยแล้วพอวอรพ อ, อ, อ, อ, อ, อสบายสบา ย, บายขึ้นมาอี้มีดีเอาอีว่กวขึ้นมาอี๋เอาละเดินละ<ไห>น นี่อดีลินเนี่ยท่านปัญญาพูดนี่อดีลิื่นเนี่ยฮะโอ้